ฝันถึงแฟนเพื่อนแล้วอยากได้เป็นแฟนมากถามกำลังรู้สึกแย่มากๆครับแอบรักแฟนเพื่อนสบานได้ว่าตอนเจอกันไม่คิดอะไรเลยไม่เคยนึกถึงไม่เคยรู้สึกผูกพันแต่อยู่ดีๆก็ฝันถึงขึ้นมาเฉยๆฝันทั้งคืนกลางดึกตื่นขึ้นมาแล้วหลับใหม่ก็ฝันต่อ ในฝันเป็นจริงเป็นจังมากคล้ายเธอมีใจออกห่างจากแฟนแล้วและหันมาสนใจผมความใกล้ชิดในฝันเป็นความรู้สึกอ่อนหวานอย่างบอกไม่ถูกตัวจริงของเธอกับในฝันน่าลงไหลพอๆกันเลยพอตื่นแล้วรู้ว่าแค่ฝันไปไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยแทบคลั่งตายเหมือนโดนอะไรบีบรัดหัวใจอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน คำถามคือผมต้องกลายมาเป็นคนคิดไม่ซื่อกับเพื่อนเพียงเพราะฝันแค่คืนเดียวอย่างนี้มันแปลว่ามีกรรมเก่ามากระตุ้นหรือบังคับให้ต้องทำผิดหรือเปล่าครับและที่สงสัยมากๆคือถ้าเธอเลิกกับแฟนแล้วมาหาผมจริงๆจะมีใครผิดศีลข้อการเมสูมิจฉาจาร์ไหมอยากลองถามเธอดูเหมือนกันว่าเธอฝันเหมือนผมหรือคล้ายผมบ้างไหม ถ้าหากเธอตอบว่าฝันเหมือนกันนี่จะแปลว่าเป็นบุพเพสนิวาสบรรดานี่เจอกันในฝันหรือเปล่าตอบผมเข้าใจดีครับว่าตราบใดยังมีความยึดมั่นถือมั่นตราบนั้นคนเราโดนยั่วให้หลงติดกับท่าไหนก็ได้วิธีไหนก็ได้จะเป็นรูปที่เห็นด้วยตา ภาพที่เห็นในฝันหรือนิมิตที่เห็นในสมาธิก็ตามคุณไม่ได้ตั้งใจจะหลงแต่เกิดภาพเสียงบังคับให้หลงอันเนี้ยไม่เป็นไรช่างมันแต่ขอให้ทำใจว่าเมื่อเริ่มต้นด้วยความฝันก็จงจบลงอย่างฝันเถอะอย่าปล่อยให้เลยเถิดเป็นเรื่องจริงอันไม่ชอบไม่ควรเลย ขอให้คิดซะว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถเสพสุขผ่านฝันเป็นสุขแล้วก็พอกันอย่าให้สุขนั้นผันตัวเป็นทุกข์ต่อโดยการเสี่ยงทำเรื่องบาดใจที่ไม่รู้ว่าจะออกหัวหรือออกก้อยในอนาคตที่คุณกล่าวมามีคำสำคัญคำหนึ่งคือตัวจริงของเธอกับในฝันน่าหลงไหลพอๆกัน นี่สะท้อนให้เห็นว่าในส่วนลึกคุณแอบสนใจหรือแอบหลงไหลเธออยู่แต่ขณะลืมตาตื่นถูกสำนึกผิดชอบชั่วดีกดทับหรือปกปิดตัวเองจากความรู้สึกทํานองนี้ไว้และมาเปิดเผยเอาโล่งโจงในความฝันในความฝันของคนเราเหลือแต่ความรู้สึกที่แท้จริงเป็นจิตดิบๆที่มีกำลังอ่อนไม่มีม่านมโนธรรมอันใดมาห้ามปราม ภาพและเสียงทั้งหลายจึงล้วนเป็นสิ่งที่จิตแช่ตัวเองหมดเปลือกที่คุณรู้สึกเหมือนถูกร้อยรัดว่าหวามสุดจะบรรยายอันนั้นแหละเป็นของจริงชิ้นเดียวทากลางภาพเสียงลวงใจความรู้สึกแสนวิเศษที่เกิดขึ้นจริงยอมติดตามมาหลอกหลอนคุณในยามตื่นด้วยเป็นธรรมดา เพราะคนเราสามารถจดจำความรู้สึกสุขได้ไม่ว่าสุขนั้นจะเกิดจากประสบการณ์เข้าหูเข้าตาขณะตื่นหรือเกิดจากภาพฝันกระทบใจยามหลับมองจากมุมของกรรมวิบากแล้วคุณกำลังอยู่ในเกมที่มีเหยื่อล่อมายุ่ยให้ทำผิดเหยื่อล่อนั้นมาในรูปของความสุขอาบมนขลังล้ำลึกคุณถูกบีบให้รู้สึกเหมือนทนไม่ได้ และอยากเข้าข้างตัวเองว่านี่คือคู่แท้ที่ติดตามกันมาจากอดีตชาติลองตรองในขณะตื่นเต็มตาสักห้านาทีแล้วคุณจะตาสว่างว่าถ้าบุญที่ทำร่วมกับเขามาดีจริงก็คงชักนำคุณไปเจอเขาก่อนเขาจะเป็นของเพื่อนคุณบุญเก่าคงไม่แกล้งเอาเครื่องขวางกั้นมากันถ้าให้ประดักประเดิดเช่นนี้แน่ ที่ตื่นขึ้นมาแล้วหลับใหม่อย่างฝันต่อก็ไม่ใช่เรื่องลึกลับน่าตื่นเต้นประหลาดใจอะไรเลยเพราะธรรมชาติของจิตนั้นเป็นสิ่งถูกดึงดูดให้ติดอยู่กับภาวะหรือพบอันน่าชอบใจได้ง่ายไม่ต่างจากขี้เหล็กโดนแม่เหล็กดึงดูดด้วยสนามพลังขนาดใหญ่ขอเพียงมีความติดใจรุนแรงมีความยึดมั่นถือมั่นทยานอยากมากพอ คุณหลับลงไปกี่ครั้งจิตก็วิ่งเข้าไปหาพบที่ชอบได้รำไปที่รู้สึกชัดเจนเป็นจริงเป็นจังก็เพราะจิตถูกดึงดูดด้วยอารมณ์น่าชอบใจให้จดจ่อตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์แบบนั้นความชัดเจนเป็นจริงเป็นจังหาใช้เครื่องยืนยันใดๆว่าบุคคลในฝันคือเนื้อคู่ ความคมชัดสมจริงของนิมิตฝันเกิดขึ้นกับจิตที่มีกำลังสามารถก้าวลงสู่ความหลับได้ลึกจนตัดความเกี่ยวพันกับประสาทกายแต่ก็ดิ่งลงไม่ถึงพื้นยืนสุดท้ายที่จะหลับสนิทเงียบนิ่งไร้การรู้เห็นใดๆที่คุณรู้สึกทรมานก็เป็นหลักฐานยืนยันว่าความสัมพันธ์นี้ไม่เหมาะไม่สม ไม่กลมกลืนกับความจริงหากยอมตัวเป็นคนอ่อนแอคุณจะพบว่าความทรมานใจเป็นเครื่องเร่งเร้าให้หาทางออกแบบผิดๆเสมอแต่ขณะเดียวกันความทรมานใจก็อาจเป็นของดีเพราะสะท้อนให้เห็นว่าคุณไม่มักง่ายคนมักง่ายจะเฉยชาไม่สนใจว่าเขาจะมีหรือไม่มีเจ้าของแต่อย่างใดคิดแค่ว่า จะนาดานแย่งสัอย่างที่กล่าวว่าตอนลืมตาตื่นไม่คิดอะไรน่าแปลกใจที่เพิ่งมาฝันและเป็นฝันทั้งคืนอันนี้พูดได้สองแบบถ้าเอาแบบเข้าข้างก็คือในระหว่างวันฝ่ายหญิงเขาคิดถึงคุณอย่างแรงหนักแน่นต่อเนื่องเมื่อสั่งสมเป็นคลื่นพลังเข้มข้นมากพอ ก็พุ่งเข้ามาประทาจิตคุณได้จังๆโดยเฉพาะในขณะที่หลับลึกพอทั้งนี้ถ้าจิตของคุณไม่มีสื่อคือใจไม่ตรงกับเขาอยู่บ้างก็จะเห็นตัวเองในฝันบ่ายเบียงหลบเลี่ยงหลีกหนีไม่ใช่พลอยร่วมยินดีเหมือนที่ผ่านมาและถ้ากล่าวยังไม่เข้าข้างเพื่อให้เป็นกลางๆบ้าง จุดเริ่มต้นอาจมาจากคุณเองคือมีคลื่นความรู้สึกทวินถึงเธออยู่ในส่วนลึกอาจเก็บกดหรือเร้นซ่อนมานานพอสบช่องเข้าล็อกขึ้นมาก็แปลเป็นภาพเสียงในฝันเป็นตุเป็นตะยิ่งท้าตื่นขึ้นมาคิดฟุ้งซ่านต่างๆนาน า, นามากเท่าไหร่ใจก็จะยิ่งอยากเข้าข้างตัวเองมากขึ้นเท่านั้นทั้งที่ฝ่ายหญิง เขาไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยเลยถ้าเธอเลิกกับแฟนจริงอันนั้นคงไม่เป็นไรสักเท่าไหร่แต่ขอให้แน่ใจว่าไม่ใช่เริ่มมาจากการชักชวนของคุณก็แล้วกันเช่นไปถามเขาดือ้อๆว่าเธอฝันอย่างฉันหรือเปล่าพอเขาถามว่าฝันอะไรก็ค่อยๆแพรมนิดแพรมหน่อยไม้นี้ใช้กันเยอะครับ จริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ที่จริงแน่ๆนก็คือตอนตกลงใจถามให้รู้เรื่องก็ได้ชื่อว่ามีรูปมือที่สามปรากฏรอยจางๆบนหน้าผากคุณเรียบร้อยแล้วคิดให้ขาดลงให้ตกเพื่อหักห้ามใจโดยไม่ต้องฝืนมากวัดแค่ความรู้สึกผมก็ว่าหน้าประดักประเดิดพออยู่แล้ว กับการเอาแฟนเก่าของเพื่อนมาเป็นแฟนใหม่ของตัวนี่ถึงขนาดว่าคุณเองคือต้นเหตุการเลิกรางของเขาผมว่าชวนผอืิดผระอมน่าดูเลยถ้าชายทั้งหลายปฏิบัติกับหญิงมีเจ้าของได้ดุดเดียวกับที่พวกเธอเป็นความฝันฝันผ่านไปก็ตระหนักว่าแค่ฝันผ่านไปไม่อะไรอาวร กรรข้อกาเมยสุมิชาจารก็จะไม่ผุดเป็นดอกเห็ดอย่างทุกวันนี้แต่เพราะฝันนิดฝันหน่อยแล้วทึกทักว่าใช่ตื่นขึ้นมาจะเอาจริงเอาจังนั่นแหละหายนะทางเพศถึงระบาดไปทั่วเมืองไงครับ